ทำอะไรเรียกว่าเฮ็ดหยัง่งภาษาภาษาพูดมันก็เป็นสมมุติสมมุติมันสมมติมาแต่ใจภาษาไทยก็บอกว่าใจภาษามคตก็บอกว่าจิตก็บอกว่ามนัตหรือมาโนมันสมมุติสมมติทั้งหลายก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจัง กิขึ้นจากกาแปรปวนในแต่สลายเพราะมันออกมาจากจิตตสังขารออกมาจากวจีสังขารออกมาจากกายสังขารลมหายใจเข้าออกเป็นกายสังขารพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนจะไปหาพระพุทธศาสนาจะไปหาที่ไหนพระพุทธศาสนาออกมาจากใจถ้าจะพูดในการในทางปรมัตด ถ้าจะพูดตามปริยัติพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วผสมปฏิบัติชอบตามคำารัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตามด้วยถ้าจะพูดไปตามภาษาไปตามปริยัติปริยัติก็ยัดลงที่กายยัดลงที่วาจา ย, ยัดลงที่ใจใเรานี่เองปฏิบัติ ก็ปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจพระพุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนากายพระพุทธศาสนาวาจาพระพุทธศาสนาใจแต่มีความสั่งสอนต่างกันศาสนาใดๆก็เอาใจเป็นหัวหน้าแต่ว่าเหตุผลของใจสอนไปต่างกันท่านผู้ใดบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูก ก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกเพราะเหตุว่าพระองค์ท่านไม่มีเิเลตพวกมีเิเลตบัญญัติความดีความชั่วมันก็บัญญัติเข้าข้างตัวไม่เหมือนพระสมมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายบัญญัติสิ่งไหนไม่มีผิดเลยพระพุทธเจ้าองค์ไห น, ไหนมาก็เอาตามกันหมดเพราะไม่มีที่แทงไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักมดพวกของพวกเราที่ตั้งขึ้นแล้วตั้งอยู่เป็นเนืองนิด เดี๋ยก็สี่ปีห้าปีตั้งเงินเอามาที่ไหนไม่ชนะชนังเลยก็พระมีแต่กิเยดตั้งกันนั่นั่งนั่นพักใดพวกใดมากก็ดึงคำสอนไปดึงความเห็นชอบเห็นพ้องไปหาพักนั่นพักนี้นั่นไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ไม่มีเกิเยตมาบัญญัติมนุษย์สมบัติมันก็ถูก มาบัญยัติสวรรค์สมบัติก็ถูกมาบัญญัตินิพพานสมบัติพรสมบัติก็ถูกเพงเลยไม่มีการลบล้างพอลบอกันเพราะไม่มีเกเลตนั่นนันั่ น, น, นพวกเราบัญญัติอะไรขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่ไหวนั่นนับศีลไม่ลุกไม่มองดูพระพุทธศาสนาพวกนับศีลไม่ลุกบัญญัติบาปก็ไม่ถูกบรร ญ, ญัตบุญก็ไม่ถูกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปสวรรค์มันเป็นบุญเขาว่าอย่างนั้นเอดื่มสราเมอะไร ดื่มเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกมันก็พูดอย่างนั้นมันก็เมาเป็นระยะมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็เกิดโรคเป็นระยะมันก็ต้องติเตียนเป็นระยะมันก็ไม่รู้จักอายเป็นระยะมันไม่พูดเสียแล้วนั่นนั่นนั่นนั่นนัพูดเรื่องนี่แะเราโมโหเรามีกิเลสว่ากิเลสในแผ่นดินแผ่นฟ้าเลยไม่เท่าเราหรอกมันมาอยู่ฮะกับเรานี่เองเราโมโห โมโหอะไรคําสอนพระพุทธศาสนาดีๆสอนมนุษย์สมบั ต, อ ต, ออตอนนิอย่างเต็มภูมิแล้วสอนสวัสด์อย่างเต็มภูมิแล้วสอนพรมอย่างเต็มภูมิแล้วสอนพระนิพพานอย่างเต็มภูมิแล้วมันยังมาค้นหาว่าปฏิบัติวิธีไหนปกครองกันวิธีใดว่าจริงจริงว่าทั้งโลกเลย ทำเปนโลค ก, กระบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นนั่นนั่นไม่โทษเอกงั่นไม่เอกนี่นีไนน่ไม่เอกนี่ไม่โทษที่นั่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วนั่นมันยังมาหาอยู่ว่าพกครองงันวิธีไหนวิธีไหนวิธีผีบ้าน่ะ ความไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปกดไหนกดหมู่กดพักกดพวกมันตั้งไม่อยู่เสียแล้วอู่ของธรรมไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเอิงอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้มันก็ไปทํำในที่รับกดหมายเท่าไรมันก็ท่องมาแข่งกันเฉยแต่คิดใจเขามันไม่มีธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงมีในพระพุทธศาสนานั้นๆๆๆสนันนนนนส ok กปป์ก็อาบน้ํำย็ดใจทศ ok ก, กัปป์ก็ปฏิบัติสินธรรมนั้นๆๆๆๆๆนั่ น, น, น, น, น มีน้ำซ้ำมันหาว่าพระพุทธศาสนาเคะเอบแ ต, ตัวของมันเคอะมันยังไม่รู้นี่ยนั่นมันยังตูไปทางนอกเองนะสถานีโรคนี่คืออะไรคือโรงพยาบาลสีรษะธราเราดีนี่เองคือมันบ้าโรคบ้าโกรธบ้าหลงอ่ะสวสดาบาละละบ้าอะไรแล้วเออเป็นเอกเทศพระสกทาคาเมกะละบ้าได้แล้วเป็นเอกเทศ พระอนาคามีละบ้าได้แล้วพระทหารละบ้าได้หมดออกกากโรงพยาบาลสีธัญญาเข้าสู่พระเนพานไปซะนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นพูดน้อยไม่พออธิบายพูดหลายเป็นเวนเป็นไัยนั่นเดี๋ยวเขาเอาลูกกระสุนใส่เ อ, อใส่คลายเทพให้หลวงปู่โป๊ะโป๊โป๊ะสองทีเสร็จเลย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เออ พระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพิ่นัทลงเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดม้วยสุดสิ้นสกุลทุบพุทธนะนะใครรานาใครรูกเล้าชาวพุทธผลของตําอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดตลอดกาลนานไลหนะักนะนะักนะักพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วไช่ กฎไายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อู๋ของธรรมก็ไม่นําคําหนึ่งก็หมัดทีพึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่แจ้มา ไ, ได้มันก็ไปทําในที่รับนั่นนั่นนั่นกฎหมายจะมีเท่าไรก็สําหรับเศษกระดาษไปเผาไฟทิ้งมันไม่อยู่ในกฎจิตกฎใจของมนุษย์นั่นการปฏิบัติสินธรรมมันไม่มีนั่นนั่นนั่นโลกผีบ้าโลกผีบ้านิยมนุ่งห่มน้อย เป็นนางงามชั้นที่หนึ่งที่สองที่สา ม, มเราก็ถ้าไม่เป็นสมณะเราก็โกรธเหมือนกันโกรธเหมือนกันเออเดี๋ยวก็นานไปนานไปก็ว่าการนุ่งห่มนี่มันไม่ดีพวกเรามาเปลือยกายเหมือนสัตว์ชะมันจึงไม่เปลืองสิ่งของมันก็จะนิยมกันอย่างนั้นอะต่อไปนี่ต่อไปนี่มันจะนิยมยกันอย่างนั้นไม่ต้องนุ่งเขาต้องห่มพวกเรามันเปลือง อยู่ตาสบายนานเข้านานเข้าจะนิยมอันนั้นพระบรมศาสดา บ, บอกว่าจงรุ่งหมเป็นปริมนทนคือด้านบนเหนือสะดือด้านล่างเพียงเครื่องแค่เจ้พวกเราปิดอวตโยดีแนวนางงามชั้นที่หนึ่งที่สองนางงามผีบา้าผู้ให้คะแนนก็ผีบา้าผู้เป็นนางงามก็ผีบา้าหลวงตาลาก็ผีบา้าเหมือนกัน เพราะปฏิเขามันไม่สมศาสนาพุทธเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ใส่เอ็กไม่เอกเนี่ยมันไม่สมศาสนาพุทธเนี่ยทีนี่จะให้ปลาร็อกอะไรบอกมาสิเพราะเรื่องแปดเมือินชีพระธรรมคขันมันมีมากเนี่ยจะให้ปารกไปอะไรบ้างเอออะอาซ้ะล็อกู้ว่าหายเป็นบาเป็นกรรมยังดอกพระองค์เจ้าซอนเมิด อันตรายของพิสูจ์สามเณรผู้บวชใหม่มีอยู่สี่อย่างอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้สามเพลิดเพลินในกามคุณทยานอยากได้อยู่สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปสี่รักผู้หญิงพิกูุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสี่อย่างนี้ย่ำเ ย, ยได้ในทางภารยิยธรร ในทางปฏิบัติข้ากับปฏิบัติพระบรรณาพิจนาอัุภะอัุพังเพื่อให้มันราคะเบาลงราคะจะเบาลงได้กับพิจนาอัุภะอัตุภังโทษะจักเบาลงได้ก็เพราะพิจานาเมตตาความหลงจะเบาลงได้กับเพราะพิจนานาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธศาสนาอยู่น้ากายของเราอยู่ที่กายอยู่ที่วาจายอยู่ที่ใจ พระพุทธศาสนาสอนกายสอนวายชาสอนใจให้ถูกตามทํานองของธรรมสอนคลรวาพระบรมศาสดาก็าสอนด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวัชีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนด้วยให้อามิตรถานพระบรมศาสดาสอน สอนคาราวานสอนพระใช่ไหหนึ่งให้มกาะทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสี่ทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่สำหรับข้อวัดของพระสรําหิข้อวัดวัดของโยมก็ดังที่ว่ามาแล้วนั้นด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา ด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมะโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานปิดประตูทางกายทางวายกาทางใจทางวายการก็บอกว่าพระพู้เป็นเจ้าออสะดวกอะไรสิ่งที่ไม่นอกเหนือทำอะไรข้าพระเจ้าทั้งหลายก็จะปฏิบัติตาม เมันไม่แต่มันนอกเหนือทำอะไรนี่เรียกว่าไม่เป็นประตูทางวาจาไม่ปิดประตูทางใจก็คือไม่รังเกียจเบียดสียห้าไม่เข้าบ้านเรือนถ้าไม่เข้าบ้านเรือนคืออะไรคือรู้จักประวรัตินาพระใจสี่กิวเมินเทวาเจนาสนาะได้เพศตตามจติกําลังเรียกว่าห้ามเรียกว่าไม่ห้ามไม่เข้าบ้านเรือนแล้กวก็เปิดโอกาสนส่วนพระผู้เข้สัมเนาจะมีหน้าที่ห้ามไม่คำชมชั่วให้ตั้งอยู่ในคำดี ให้ฟังสียังไม่เคยฟังทําสิ่งที่ฟังได้ให้แก่อบอกทางสว่านใหใครจะมาสอนดีเท่าพระพุทธศาสนาไม่มีหรอกสอนค า, าว่าก็สอนบันทิตโตคารมาวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบันทิตเป็นผู้ครองเรือนนั้นเป็นผู้มีเชนห้าบริบูรไม่ใช่ดายอยากล่วงละเมิดเชนห้าคือบันทิตนั่นเองมุคคลผู้ที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นในธรรมสามอย่างหรือสองอย่างในอเนยยอดสองนั่นก็ดี คนที่ควรเชื่อได้ก็คือผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองนั่นมู้โตที่เฮ็ดที่ยังกะเฮ็ดที่ตามสมุดทหมูโมโมโมโ้โตออเฮ็ี่ยังกะเฮ็ดละเม่นบอกขอโอกาสเท่ากับว่าห้ยเป็นเวรเป็นภัยไม่ฉังดอกแล้ว <c oughs> ของ่พอที่วัดเพื่อคนทุกข์แล้วว่าตาสงสารผุนแต่ว่าเอาเวรเอาภัยกันด้วยนี่บอกมู่ห่อกันไหวเฮ็ดนาแล้วท้ามานรอด จ, จะวัดประมาณกันมาเดี๋ใสก็ดอก แม่นบอกมันจะสัตว์ก้อนหมดแล้วเนาะมันชื่ออะไรเนาะอายุวานมันอนี่นึกเข็นได้นึกเข็นกับประมาณขือกันได้เนาะมหาเทระเฮ้ามหาเทระขังพระพุทธเจ้าเนามหาเทระอาโนนทโมคขัน ล, ล่าสารเรวดมหาเทระพ ร, าาระรหันธท์ทางนั้ <laughs> งงนมหาเทระเฮ้าสมุนติกี้ทอเพชรฝ่าเพชรดิษนี่แล้วชื่ออะ้รฟังฮะนี่มหาเทระสันที่หนึ่ง คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาเทระชั้นที่สองคือพระเจดทั้งหลายพระมหาเทระชั้นที่สามคือพระอรหันตตาชีนาศพทั้งหลายพระมหามหาเทระชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าคือพระสักคาคามีทั้งหลายชั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดท่าน ด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พอ ก, กอนถ้าติกอนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงพระโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อผลนชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรดาวพุทธศาสนาขอพระสมานาพุทธเจ้ายิ่งยขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยทอบอยู่ทุกเมือม่อเทินในระหว่างพวกเราก็ดีทั้งที่มาในที่นี้ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีตามฝ่ายจางทเหตุกัน ด้วยกายการกรมสามมจีกรม 4, มกรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกทนะ่านหน้าเพวกเราทั้งไตโลกาจงอนุญาตให้กันต้องให้หัสีกรรมแตจกันและกันทุกทนะ่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเคยไปจนถึงที่สุดทุกรอยชอบอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณนั่นเทินห่างตรงให้ฮิิเวคามีสาบัง ยัตถะปะปังกระตังกัมมังกุตะเลนะปะหิยติเศร้ามังโลกังปะพาเจติอะพุตโตวจันเิมาอภิวาทนสีนิสานิจังวุ ธ, ธาประชาโยจัตตารธรรมาวจันติอายุวันโนสุขงังภะหลังผู้บวชมาสัวข้าวเมื่อลาเมื่อหน่อย ก็ตั้งใจพระเทวดาตามสติกำลังของเฮายากสิได้เขามาาในหาในพระพุทธศาสนาเข้าเขามาหาในพุทธศาสนาได้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีวาสนามาแต่พบก่อนชาติก่อนจึงมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาถ้ามาอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังดีกว่าล้านล่า น, านขณะจิตที่เลื่อมใสในสศาสนาอื่นๆ ยินดีในพรทุทธสรรมปสงค์คณะเจ็ดเดียวยังดีกว่ายินดีในสิ่งอื่นอนะื่นน่าร่านคณะเจ็ดซับในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดทั้งสังหาริปปะซัพย์ะสังหาริปปะรัพย์ทั้งวิญญาณก็ซั์ทั้งสะกวิญญาณก็ซั์เป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดอยู่ในตัว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 นั่นให้หน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆ ใ, ในไตรโลกธาก็ไหลลงสู่คําสอนของพุทธศาสน า, าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเหมือนน้ําให้น้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลไม่มีสะวันกลังคือนั่นเองคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนของพุทธศาสน า, าโดยไม่รู้ตัวชั้น น, นั้นไม่พูดอีกก็ยิงอีก คำสอนใดๆในไตโรโลกทจะเหนือคาสอนพระพุทธศา ส, สนาไปไห่มีเลยทรัพย์ภายในภายนอกจะเหนือทรัพย์พระพุทธศา ส, สนาไปก็ไม่มีเลยทรัพย์พวกนี้เหมือนกันถ้าเราสําคัญว่าเป็นของคนนั้นคนนี้มันก็ว่าใหญ่ก็เป็นสมบัติพระศาสนาของพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาหมดนั่นเองถ้าจะสําคัญเราเป็นของเราก็เอามาบูชาเกียศของเราแล้ก็บาปตายนะเข้าแม่ถับทักเท่าหนึ่ง ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเลี่ยงบุคคลผู้มาบวชแม่เขาแม่ชีเป็นต้นหรือพิชูสัมเชัญเป็นต้นมีกี่ร้านบานับไม่ไหวเสียแล้วแต่พระพุทธรูปราคาพระพุทธรูปก็นับไม่ไหวเสียแล้วเครื่องกีวรก็นับไม่ไหวเสียแล้วบินทบาทก็นับไม่ไหวเสียแล้วนี่ราคาทางวัดทุนิยมทางอุดมคติ ชีวิตราคาของพระสวสดาบันคนหนึ่งคนหนึ่งองค์หนึ่งองค์หนึ่งราคากี่ล้านบาทตีราคาไม่ได้ใช่แล้วราคาของพระรกคาคามีองค์หนึ่งองค์หนึ่งราคากี่ล้านบาทตีราคาไม่ได้ใช่แล้วราคาของพระอรหันต์ก็ยิ่งไปใหญ่ราคาของพระพระเจกก็ยิ่งไปใหญ่ราคาของพระสมมาเทวทธเจ้าก็ยิ่งไปให ญ, าาใหญ่นั่นซบนับภัยนอกไม่มีจะที่จะซื้อได้นักนัก ผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นหน้อยผู้มีปัญญามากก็เห็นมากพระสารีบทเดินจงกรมกลับไปกลับมาแล้วมากล่าวทูลพระบรมศาสด า, า, าว่าข้าพระองค์แลกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณชีเลยพระเจ้าข้าถึงจะย้นลงมาเปลี่ยนวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมรรคกานตคุณ หรือเอกคุณก็ตาในปัจจุบันก็ตาแต่ก็ใหญ่หลวงหาที่วางไม่ได้พระเจ้าค่ะเออดีละดีละ่ะเพราะเธอเป็นผู้มีปัญญาว่าเธอก็ระลึกได้มากสิเราไม่เห็นภิกษุองค์ใดจะเสมอเหมือนพวกเสมอเหมือนสารีบุตรมีปัญญามากผู้มีปัญญามากก็มองได้ไกลเหมือนผู้มีเชือกยาวถึงได้ไกลผู้มีเชือกทอนก็ถึงได้ไกลผู้มีสายสมอยาวก็ท่อนได้ในที่น่าหนึก ผู้มีสายสมองสั้นก็ทอดได้ในที่นําตื้นชั้นใดก็ดีผู้มีปัญญามากก็ยิ่งเห็นใหญ่ภัยสารจะระลึกถึงกี่กับกี่กันก็ไม่จบสารีบทเอ๋ยถูกแล้ว น, น, น, นั่นั่นนเหตุฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าอัปปามโนพุทธูคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปามโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปามโนสามโขคุณของพระริยาสงไม่มีประมาณยิ่งกลมกลืนกันเป็เชือกสามเกลียวแล้วก็ยิ่งไม่มีประมาณอีกด้วยนักนนั่นัน่ น, น, น ทำไมบุคคลผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่น้อยนะับก็เพราะพระพุทธศาสนาเป็นของดีไม่เป็นบุคคลขี้หมูราขี้มาแห้งจะมาเลื่อมใสผู้มาร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วชะไหนจะไปเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแล้วนั่นนั่นนั่นกลายเป็นกบเลือกนายกลายเป็นไ ก, ก่แจ้กระพอยไปซะเพราะบุญไม่ถึงพระพุทธศาสนาก็บันดาลให้มีมารมาพยจนให้ไปเลื่อมใสทางอื่นซะนั่น พระพุทธศาสนาลดตำเหน่งเพื่อเราลดตำเหน่งเวีนไพปลดเวณปลดไพยนับแต่ปานาที่บาทก็เรียกกระปลดเวณภัยอัจินิาทานกามยมุสาสุราวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรายินดีในที่สงัดหรือไม่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้เมีกเกอรเขินในเวลาเพื่อนวันวาชิพถามในการภายหลัง พระว่ายังมานเหมือนพระทางใดท่ามาอิมังกรรมมัทธาดังอิมังก็แปลว่านี้อิมานี้แปลว่ามันอยู่ไกลเรียกว่าอิมาเนีอิมังแปลว่าที่นี้ค่อยๆอิบางกรรมมัทานังคือกรรมฐานคือหนังหุ่มอยู่ได้รอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอทิยมัติมีกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายจิตต้องจับอยู่ในที่ผม โลมาคือขนทั้งหลายกิตต้องจับจับอยู่ในขนขนแข้งขนขาขนรูจมูกทวารหนักทวารเบารักแร้มีรักษณะยังไงอยู่อย่างไงเล็บน้าขาเล็บคือเล็บทั้งหลายลังมือลังเท้าปลายเรียมือเนียเท้า ถ้ากับเกล็ปลามีลักษณะดูมันอีกฟันเพราะว่าฟันจิตก็จับอยู่ที่ฟันมีสิบสี่ที่ทั้งสองข้างบนฝังอยู่มีกินและสีเป็นยังไงหนังหุ้มอยู่ทั่วทั้งกายถ้าลอกหนังออกจะเป็นยังไงสองตางซื้อไหมไม่ซื้อเนื้อทัดหนังเข้าไปเป็นชิ้น ห้อ ก, กระดูกไว้ดังดินทาฝาเอ็นผูกมัดรัดดึงกระดูกไว้กระดูกประมาณสามรอยท่อนเยื่อในกระดูกเหมือนยอดหวายที่เขาเผาไฟแล้วอ่อนๆแล้วปลอกแล้วเอาไปยัดไว้ในกระบอกมาาอยู่ที่หัวใจมีคั่วอันมีขั้วอันเดียวเหมือนมะม่วงสองผล แยกออกเป็นสองผลคู่อันเดียวหัวใจอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกมัวตูมพาหัวใจออกมีน้ามือในเช่นซองมือเวลาโกรดน้ำเลี้ยงหัวใจก็ดำเวลาโลภน้ำเลี้ยงหัวใจก็ดำเวลาหลงน้ำเลี้ยงหัวใจก็ถ้ามีทานมีศีลมีภาวนาหน้าหัวใจก็ใสไปบ้างเมื่อเวลาโกรดจัดหน้าหัวใจก็ดำเลย เวลาโรคจัดก็เหมือนกันเฮจะนั่นคนตายท่านจึงเอาหน้าไปล้างหน้าพวกเราถ้าหน้าไม่ใสเหมือนหน้ามะพร้าวนี้จะได้มาเกิดแก่เจ็บตายในวัตตะช่องสารนี้อีกก็อย่างนั้นหรอกไม่ได้หมายอันอื่นแค่ใ้คนเป็นฟังน้าเกียรน้าใจของเราถ้าไม่ใสเหมือนหน้ามะพร้าวนี้จะได้มาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนดังคนที่ตายอยู่นี้ก็อย่างนั้นหรอกตับอยู่ข้างหัวใจ อยู่ข้างใต้ของหัวใจเป็นเนื้อสองแผ่นเหมือนลิ่นโคดําเป็นผู้มีปัญญามากตับก็แฉกสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างปอดปกคลุมมามหัวใจทับอยู่ไส้ใหญ่ปลายข้างหนึ่งอยู่คอหอยปลายข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักทบไปทบมามียี่สิบเอ็ดขดมีกลิ่นและสีเป็นยังไง เราฉันยาถ่ายท้องเราก็ฉันยาถ่ายล้างออกธรรมดาไม่มีใครเข้าไปถูให้เป็นเพียงเทเป็นเพียงว่าล้างห้าออกมาเฉยๆกลิ่นและสีของมันก็บูดราอยู่ตลอดเรืองนิดไม่ลงธรร ม, มาะไม่มีกลงวันกลางคืนเลยไม่มีเอวังเลยในสักากอนหน้าตายนี้มีกลิ่นเหม็นอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนไม่ลงธรรมะอีกเลย ไม่ตั้งกระทู้เลยหน้าโมตักสะก็ไม่ว่าตั้งกระทู้ก็ไม่ว่าก็คือมันตั้งแล้วคือกระทู้ปฏิกูลนั่นเองมันไม่มีเอวังเอวังดังนี้แร่ไม่มีดังนี้ไม่มีเอวังไม่มีนิทีตังเหม็นอยู่ไว้กลางวันกลางคืนในสกลาครนี่กระดูกก็เหมือนกันอันนี้จังความ่เที่ยงแห่งสังขารก็ไม่มีกลางวันกลางคืน ทุกขตาความเป็นทุกข์ราหายใจเข้าออกก็ไม่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็ไม่มีเอวังเสียเลยนั่นความไม่ใช่ไม่สัตว์ไม่ใช่สบุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่ศัก์ว่าดินน้ําไฟลมเป็นจัตตศักดิ์ว่าผมคนจะฟันนังเนื้อก็ไม่มีกลางวันกัางคืนจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงกิเลสของเราก็จะเบาลงถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงก็หลงคูณหลง หลงคุณหลงบวกโรคคุณโรคโกรธคุณโกรธหลงคุณหลงเราหลงอะไรทุกวันเราหลงหนังทาไมหลงหนังก็ไม่หลงอะไรในโลก่ยนั่นถ้าหลงอันหนึ่งก็ต้องหลงอันหมดนั่นนั่นนั่นนั่นองแห่งวิเศษใหมห้าอย่างสารวมในพระปราถิโมกเว้นข้อสุติเจ้าห้าทำตามข้อเทพบุญอนุญาตสํารวมยินสีหกคือระวังตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ให้ยินดียินร้าย ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องถูกต้องผลทพาระด้วยกายรู้ธรรมมาลมรวยใจสองโพชเนมะจันรู้ใจเยอะจ้ะสํารวมในัสปาติโมกเป็นข้อที่วิทยาทำห้าทำตามข้อสุโอนายาสัมรมินทรีหกความเป็นคนไม่เอกรกรเลิกแหา่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดมีความเห็นชอบฟิกซูใหม่ควรตั้งอะไรทาให้อย่างนี้ก็ไม่ว่าแต่ฟิกซุใหม่ฟิกซูเก่าก็เหมือนกันนัน ทำที่บมาคิดควรพิจารณาดังเรื่องซีบอย่างบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสแล้ว อ, อาการกิริยาใดๆของสมนะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆสองนมาพิตควรพิจารณาดัเรื่องว่าอาการกายวายกายอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงท่า น, นี้ตัวของเราเองตีเตรียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ผู้รู้ใครควรแล้วจะตีเตียนเราได้โดยศีลหรือไม่แลนจะต้องพัฒนาจากของรักขอ ง, ของเท่าใหร่ทั้งนั้น เรามีกรรมเป็นขอ้องตัวทำดีจากไร ด, ดีทำชั่วจากไ้ชั่ววันคืนร่วงไปร่วงไปวัดนี้เราทำอะไรอยู่เรายันดีในที่สงัดหรือไม่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้เมาเกอร์เผลอในเวลาเพื่อนมันมาคิดถามในการพายหลัง น, นัตัวของเราเองติดเตียนตัว เ, เองโดยศีลอะไรหรือไมเราลืมไปซะผู้รู้ใครควรแลว้วติดเตียนรายได้โดยศีลหรือไม่โดยศีลหรือไม่จิงไหนเพราะว่าเรามาศาสดาไม่สอนไม่มีฆราวาสก็เหมือนกัน เสียงไหนเขาว่าเรามาศาสดาไม่สอนไม่มีมนุษย์สมบัติของคารว า, าก็คือเวนอบายมุกนั่นถ้าไม่เวนอบายมุกเป็นมนุษย์นิบัติแน่นถ้ามนุษย์นิบัติก็เป็นสวรรค์นิบัติเหมือนกันก็เป็นพรหมนิบัติเหมือนกันก็เป็นพระนิพพานนิบัติเหมือนกันถ้ามนุษย์สมบัติถูกมนุษย์สมบัติแล้วสวรรค์สมบัติมันก็ถูกไปในตัวสวรรค์สมบัติมันก็ถูกไปในตัว พมสัมปัติก็ถูกไปในตัวนิพพานสัมปัติก็ถูกไปในตัวถ้าสําเร็จทั้งท่าสำเร็จพระโ ส, าสดาบันเนี่ยสักคาคาเมีก็เปิดประตูไปในตัวอ น, นาคามีก็เปิดประตูไปในตัวพระอรหันต์ก็เปิดประตูไปในตัวเหมือนกันนั่นนั่นผู้ใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ้นห้าผู้นั้นแหละคือพระโสดาบันจะไม่ใส่ชื่อหรือนาะมให้กว่าตาจะไม่ได้รับยศรับพัดก็ตามมันเป็นจริงตัวอย่างนั้น ไม่เสียดายอยากร่วงระเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายตัดเป็นเลยนสัตว์ที่ตัวฆ่าผู้เป็นอาหารข้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสราวันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสมบัติของพระโสราวันมีอยู่ห้าประการ หนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จีรจางเลยสองไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลสีไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาห้าบำเพ็ญบุญแต่ใน พ, พุทธศาสนาพระโชดดา ว, วนต้องตั้งอยู่ในสมบัติทประการเว้นจากไิ่บัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอยากรวงละเมิด สิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจหนักสิ่งไหนที่มันเสียดายอยากละละเมิดสิ่งนั้นมันก็หนักใจนะทำไมมันจึงไม่เสียดายอยากลงละเมิดเพราะมันเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เสียเลยมันเห็นด่งลงไปแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดผู้ที่เห็นว่าบัตรเบอร์บอกเบี้ยจะเป็นของเจริญ มันก็มิจฉาทิฏฐิเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นมันก็มิจฉาอามิจฉาอาชีวะอีกด้วยมิจฉาสติอีกด้วยมิจฉาสมาธิอีกด้วยใครตื่นว่าใครตื่นว่าใครตื่นว่ายึบอย่างนี้หรือใครย็บอย่างนี้บ้างถ้าใครตื่นเรียกว่าสมาธิไม่ดีถ้าอย่างเนี้ ยังไตงตรงๆตามตื่นอย่างนี้เลยผู้ใดตื่นเหมือนเนื้อสมังในป่าผู้นั้นพลธของเขาไม่เจริญสมาธิของเขาไม่แ น, น่นี่ปัญญาของเขาก็ไม่ชำนานเหมือนกันสติของเขาก็อยู่คนละฝากับสัมภชัญญะทำอภิปการมาสองอย่างสติความระลึกได้สมัมภชัญญะความรู้ตัว สติจะมีมากสักเพียงไหรก็ต า, ามนั่นคือศีล น, นั่นคือสมาธินั่นคือปัญญาเลยอสติเวมาโตสติส ย, ยดูวีสติเหตุฉะนั้นกรรมฐานแต่ละอย่างเลอยอะจึงมีสติออกหน้าสติปัฒนาสีก็เรียกว่ามหาสติอพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณากายลงสู่อนัตตาพิจารณาเวทนาลงสู่อนัตตา พิจารณาจิตลงสู่อนัตตาพิจารณาธรรมลงสู่อนัตตาเรียกสติปัฏฐานสี่กายไม่ใช่เราเรามันใช่กายใจมใมใมใไม่ใช่เราเวทนาไม่ใ ช, มมใช่เราเราม่ใช่เวทนาจิตไม่ใช่เราเรามัใช่จิตธรรมไม่ใช่เราเรามัใช่ธรรมพิจารณาลงอสู่อนัตตาเรียกว่ามหาสติอ แหตุ่นั้นจึงมีสติออกหาทุกๆกรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอุปัฏฐานนุสติการเจขตานุสติมโนนานุสติอาณาปณะนุสติมีสติออกมาทุกๆกรรมฐานกรรมฐานใดก็ตามเพ่งอยู่ในปัจจุบันศีลก็ตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบโูกในปัจจุบันพูดมากพูดทําไมพูดมากก็ไม่ออกไปจากใจน้อยก็หายลงมาหายใจใจสิออื ถ้าด้วยจักมากด้วยจักน้อยล่ะมากมันก็มาหลงน้อยมันก็มาหลงเหมือนกันนั่นถ้ามันหลงน้อยหลงมากเพราะมันไม่ไม่รั่วน้อยรั่วมากถ้ามันรั่วน้อยรั่วมากล้วมันน้อยมันก็ไม่หลงมากมันก็ไม่หลงมากก็มากออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจเราจะนับถึงล้านมันก็นับถึงออกไปจากรักหน่วยเราจะย่อนมาก็ย่อนมาหารักหน่วยนี่เองนั่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกดตื้อตีวสาเลีวติวมือหนึ่งพื้นเมือแทบหมดล้าน ตีเต <Edu> ี้ยวทะเลี่ยเตียวไปกะว่าโกรลานอนแต่พระพุทธเจ้าของเขานับถึงอสงไขยใไหมัระเจุาบันชาวโลกนับถึงล้านว่านับถึงโกดทำไมข้าพุทธกาลเขานับถึงโกดตื่อเตี้วทะเลี่ยเตี้ยวไปจนหอดพูดเหรอหอดอสงไขยพื่อนผู้นักขัดูถูกนินท่ากันวว่าสั่งวัดส่งว่าสงตายยังไงก็เราได้แฉว่าสั่นโวยไปเห็นหน้าเดียวโพดเทาว่า เห็นหนาเดียวยังไ่ข้างขงพุทธการเขาเข้านัา่งสาขาสางทั้งนี่กระเป๋าเดียวละ่ะยี่สิบเก้าโคนี่เมื่องสับปะีอยู่นี่สมมติทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือนั่งสาขาสางไกบ้านห้ารอยขาทนูขาทนูหนึ่งสี่ศอกไตบ้านไกลเมืองสับปะนีห้ารอยขาทะนูขาทนูหนึ่งสี่ศอก ว่ถ้ากับยี่สิบห้าเส้นถ้าคูณเข้ายี่สิบเก้าโอดโกดหนึ่งมันมีสิบล้านเอาล้านมคูณยี่สิบเก้าดูสิจะเป็นกี่ล้านสิบเก้าเก้าสิบอทดเก้าสิบหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเก้าแม่บอกร้อยเก้าสิบล้านแม่บอกพกกระเป๋าเดียวนั่นนั่นนั่นท่านจะดูทุกข้างพุทธการนะ่ะนั่นท่านจะบว่าสมัยส ม, มัยนี้สร้างเขาเราเขาเรียบกบ่ามันเสียวคนบอกสร้าง้าโอเ อ, อกระเป๋าเดียวไดนะ้ขน่ะ ข้าเนียกันหอยแพหอยขอจะ่อยได้หอยส่องเขียวส่องขาวผู้ใดเห็นก็จะแกล้นหนีเหมือนญาดขอเงิน <S <S 1> <S 1> <S 1> นั่นเท่าจะประมาณระฆังองพระเจ้าเอาเยอะทั้งนี้นี่ย่องสาวัตถีเยอ่ทั้งนี้ ห, น, น, หน้าตาเป็นกเกษตรถิ่นสาวาเกตรตะวันทามมหาวิหารมัดซีชิมาโกดเอาโกดดึงกัด สิบล้านจงวามาแล้วสีบ้าเอาสิบคูณสี่บารู้สิบห้าห้าสิบทดห้าสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่รยห้าสิบล้านแม่บ่กนั่นนั่นนั่นมูฮัมหมุนไอ้ดอกเก่งป่านนั่นมุไัมเก่งโคตรเลยนั่นนั่นนั่นพันทันาขันว่าเลยตีแต่หลวงปู่สีสางมากเออมาท่าไปว่าว่ามีบัณงว่นอัดจม ไปไปเอาก้นไปน้าเอาดากไป น, น้ปนำเอ า, าเอากินไปน้าเอาดากไปน้าเอาทองไ ป, น, ไปน้าไปกินมัน น, น, ม น, นี่มันอยูาายอ่มันมกินาาาาเห็นยังไงนั่นสิปฏิย์ลบผู้ศรีสางร้ายบ่อนัอ่นมันไม่ได้ห้าว่าขังพระเจ้าร้ายกว่านั้นเราแต่คนเดียวได้หันนี่โคทารามป่ามาอย่านีโคดย่างอีกี้ว่าเนี่กูดาคาวปามหาวันวัน น, นั่นว่าอึดจะขังพระเจ้านับเป็นลาดลาดกับโกด เนี่ยเพิ่นพัฒนาเนี่ยเพิ่นพัฒนาทั้งทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติเพิ่นกับพัฒนาถึงพระสวสดาบัณสักชาค้าไม่อราค้าไม่อรหันเอานี่ยนะโม่ห่อโม่ห่ออะไรไปพัฒนาตั้งแต่เลขแม่นบ่อนนะมีอะไรไปพัฒพัฒนาเลขแม่นบ่นนะแล้วเป็นมีคีเชียอยุโม่ห่อให้กรลุดเมื่อไปนากรลุดเมื่อไปกองแขนกบดขาโค้งกมึดลุกเมื่อไปนันนี่ตุ้มหูตุ้มหามันมดไปมัดอะโม่ห่อ เออง่วควายไปเขาหมนพ่อแม่แจกใครแจกหน้าให้กวัดไปวัดอ่ะเพราะมันพัฒนาเลยแมนบ่เออนั่นพัฒนาเราอืมพัฒนาอบายมุกแมนบ่นั้นข้าพระพุทธเจ้าพระเวนเนี่ยเขาจะไปดูถูกข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าลาบร้ า, ายเขาอยัางนี่พระไปทั้งไหนเขาออกเกียน น้ำและดูพรออะขอคัมภาแล้วพระเพิ่นไปเที่ยวน่ะเขาเอาเกียนใช้น้าอ้อยไปหาล้อยเลี้ยมผุ่นน้าก้นพระไปนั่นนั่นท่านที่ประมาทบอกข้างพระเจ้ า, าท่านทไปดูถัวข้างพระพระเจ้าพระยูแต่ตอกหอยห้าเขาบะเมียได้เห็นหนาเดียวอันนั้นต้นศาสนาพระท่านใ้มีกุฏิวิหารอ่ะสมัยนั้นอ่ะวางมัชชิมะการนี้ได้ฮะนี่กุฏิวิหารมันเต็มไปหมดละฮะนี่ ก็ปัดชิมอาการว่อันนั้นปฐมอาการก็ไม่เอานี่อันนัว่าท่านในเห็ุหลายอายุสังสก้นอะกรอ่ะนั่นนั่นคันว่าอะไรห็นน่าเดียวอันนี้พระไปมลกองขี่อยู่จังสิว่าพระเด็ดเดียวมันกับผถือเด้เพราะเราว่าใช่พวกเนี่ยโนมกับไหวเข้าไววะไวว่าเทศเด็ดเดียวเดียวก็นี่ได้นะยังจะเทศจะเขกเกาได้น่ะสักคำนี่เขาอกว่าไหวกัเทศเด็เดียวเดียวกันนี่กับพวกเลยว่า ใหผู้คานี่เขาไปยุ่นี่ํทำเนี่วะกอัดดีๆท้กับทิม้มูกระเบิดเขาไปในหันวะตัวจระว่งสิวะนั่นแทละเ ท, ทเด็ดเทเดียววาสันเดีวกัดข้อห น, น้ามยอหนี่ิบชีปีสิบสองสิบสามปีจะค่อยได้อันมูนี่เลยบอม่มันมเมาขาข้นห่างในย ร, รูวว้ได้วะสันเดีวขันว่าเราไม่เห็นหรอว่าเป็นภาะคุณนา่งมเมอเนี่ยวะสันเดีวใส่โปรดออกยุ่มอเ น, นี่กเพราะว่าอหน้ามันอะไรวะสันเ่อใไปสอบซีเรี ย, ร ย, ย่นี่ห้ขว่าเูห้อวะไร พน่ยบาเลนอ้อกผู้อยู่เสมอจังเิวา่าเดียวสังฮารคือกับโรามาพระพุทธเจ้าพูดดรอสฮาวหารคือดรอสำรับเข้ามันเป็นหมาอะไรเนื้ออายุมากเมื่อนุ่มๆอยู่ก็ต้อนเนื้อตามเชิงเขาให้เจ้าของเสมอ ม, มาต่อมาหมาตัวนั้นแก่ลงฟันก็ทานกาลังหมูไม่ได้ขอให้ท่านนึกถึงความหลังบ้างนี่คือกัน แต่ตรงน้องนจะนขึ้นเขาขึ้นผู้ขึ้นเขานอนกาลางพูดรับบากว่าพราแห้งเหรพนจังาวัดได้พ้นจังมาัดได้อย่างที่ลำบากเขาแห้งเหอันนี้ห เ, เหุ้เพรฮะทผู้เดียวลอยล้านเขาก็เอาได้เนิมาขุดดินดูนด ย, ยนีิม่จักแฉะแฉะหนิเอาเหินเอาเล็กแฉะแซ้ํามายังหนิซ้อซ้อหินนี่ขุดหินออจักเหตุหนิได้นิแต่นี้ไปเป็นหินบดหจักใครได้อะสาสตายมาจักห่ดหน ฉลาโชสายฉลาดจิ้มพกขึ้นภูเขาจิ้มขึ้นออดีกระดีวัดดีทับตายสมรพัสฐานเข า, เเ า, า, าพระ อ, องคาในัตไตโลกาธาเนี่ผู้ขารถเบ้าครืองมูหน้าผู้ขามู้นเน่ยเบ้าใกล้โ พ, พุททาวาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงถึงทุติส ต, ติวัดถึงยังสั่นเท่าเ ล, ล้เลือกได้เลือกได้กรดีเสริมกับคนพระธรรมพระสงฆ์โยธุกูม่อาบมีประมา่าตามตาเท่าข่าวทู่พระเนปาน คนจากทุกนาวตาสงสารโดยดวนโดยทุกเมืองของเมีอรบ่มีของประมาณของขาเทินแล้อเกได้เพิเลกได้ก็ดีสกลรากายของผู้คาเนี่ยจะขอทุ่นถวายเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติในผ้านสมบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมืองประมาณแล้วเล็กได้เพิกได้ก็ดีผู้คานี่ยจะขออุทิศสกลรากายว่าายใจเป็นขาเป็นธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเียวรถเหยียบย่ำทนไร้ไข้หมกใชในสกรกาย สกกแลว่าใจาสกปรกนละใจทุกขนทุกแหงทุกวิธีทา่าอทุกเมืองบ่มีประมาณเพื่อเพื่อนทุกใ น, นมาัฏาสงสารในปัจจุบันาาานาทานี่กว่าาเทิร์ลดโลกนีลดเสมอเนี่ยเออว่นไหนโลงไปไกลเลยบ้านเน่ยเออปัจจุบันนะ้ชิดปัจจุบันรรนะทมอะไรที่พ่นจากกองทุกโดยบืเหลือจงรู้ตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามเป็นจริงจงุดพ่นตามเป็นจริงอทุกเมือบ่มีประมาณราคาเทิร์นนะถาเทียร์น อ, นอ่อนโยกับอาตาเขาอะผู้คนมาเห็นวาเขาผสมรวมเลยหั ข้าไปแทห้องสมมุติไถ่พระพุทธพระท้าระสงฆ์ขี่รถกืนกินพอรอมองห้องหลวงพ่อเนี่เป็นบ้าบ่นอนอาปากก็ไปวัาห้างเสียข้าวอ้างเหสมมุมมติไถ่พระพุทธพระท้าพระสงค์ขี่ร่องกืนกินพ่อคนณเอ้ป่านนั้นเนยห้องมูโตเพราะท่านท่านดอกเสียบียบท่ น, <c oughs> นไม่รู้เนะหมาเพรดะท่านอ่านอะทานเชียดืน เดินโยกมือสิบพราะเลี้ยงหนาเ่าเห็นผู้ใดผู้ใดอ่ะปากกันทั้งหมสมมติพันฉี่ใจพู้นี้เข้าท่นกลับว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนเราเข้าสมมติอ่เป็นพุนคทธะทิฏฐานเอ่ะเพื่อพุ ก, กิดตุกใจจะของให้มันเป็ียนไปเพราะใจมันเป็ี่ยนในท่านเมได้ปุ๊บมันกระลุกขึ้นทั้งท่านสิว่าอย่างไรฮะอืมล่องทั้งเดียวไม่ได้เบื่อร่งเล่ า, ลลาถึงแม้พุพทธธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตด้วยว่ถึงวันตลอดเข่าสูพระในพลาดหมน ไม่่ว่าอนาคตการนั่นเถินเอง้านะปัจจุบันนัิษปัจจุบันนั้ธรรมอะไรชื่อรถพ่นรถกับกรอกชี่อรถพ่นกับกอกไมีเสษจ้องรู้ตามเป็นจริงปัจจุบันตามเป็นจริงรถพ่นตามเป็นจริงทุกงานมงมีประมาณเถินนะเอาล่องผุนว่าก็โมว่าไาเนี่ยเรียกว่าโ่าหานเนี่ยหานหานลงมาในปัจจุบันรดบาทนี่ฮันนบอกภาวนาไงเด้อบานี่เด้อ ผู้ก่อกระซางผูเถ่ากะาัะซ่างผู้นมกรตามพระบวชไม่บวชเก้ากรตามคือเข้าขึ้นหน้ากรรมฐานอันใดสําคัญเขาาานน้ขาฮักกรรมฐ า, านอนใดกรรมฐานอันนั้นละมันเป็นอาจารย์ของเข้าเป็นพระพุทธเจ้าของเข้าพระธรรมเจ้าของเข้าพระสงฆ์ของเข้าเขาร่วมลงลามลายกรรมฐานอันนั้นฉันทะพอใจรักไครในกรรมฐ า, านที่ตั้งไว้ วิทยะเพียรมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจฟักฝยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสีอย่างนี้มีบริบู์แล้วอาจชักนําบุคคลใ้ถึงสิ่ที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยนะักเอาลงมานี้บัตรห้าบัตราที่เอาวอกกัมมูมากร ะ, ะ, กร ะ, ะไรกรันยังวอหานกะวอหานกัเรียกกะวอกหอนมึงกับเดียวกันกะหันลงมาหาใจ น, นี่ลนะบอกหันลงมาเป็นหนึ่งเน่ย ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้พระคือทำเป็นกำลังห้าอย่างศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งวิทยาพันเพี้ยนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตะเอาใจพักฝ่าในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตรองภิกษุนาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสอย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจักนาบุคคลให้ถึง ส, งสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยนั่นๆั่นๆั่นนั่นน่นนั่นสนั่นเลือใจก็ผู้ฟังก็ผู้พิจารณาผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟัง ก็ฟังเทศนะฟังมัดมือก็ฟังใจก็ของเราบ๊วยใจไัมก็ฟังมาได้เทศวัดมือก็เทศใจกของคนตายก็เทศพระเปลนแม่นว่านั้นยศหลวงมานนใจฮะเนี่ยยศหลวงมาหาใจในใจท่านเลมโนโบุฟังเข้ามาธรรมามโนเสรษฐาโนอย่าทำทั้งหลายในใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธเจ้าเทศวิสีวิภาพันศาหนึ่งเพิ่มบาสงเคาะกันเพิ่มเพิ่มสงเคาะมาเพิ่มก็สงเคาะหามาห า, า, หาลงมาหาใจ เอกนิบาทลงมาเนี่ยสัพพะนามโยนลงมหาเอกน้มเอกน้มในใจสัพพะทุกโยนลงมหาเอกทุกในใจสัพพะทุกโยนลงมหาเอกทุกในใจเห็นทุกขณะเช่นนึงก็เห็นโลกรอบนึงเ่าะโลกเต็มไปด้วยกองทุกนันั่นเห็นอันนี้จังขณะเชดนนึงก็เห็นโลกรอบนึงเพาโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังเห็นดินขณะเชดนนึงก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมก็เหมือนกันน huh. ั่นนัสส่นน ah, ั่น ทิ้งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปลผวน่าแต่สลายผู้ใดเห็นทำทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปลผลน่าแต่สลายเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ผู้นั้นชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้เลนะนัศีลศีลว่าสวสดาบันศีล ส, สักขาข้ามีศีลอำนาคขามีศีลภ า, ารหันมิยิ่งย้อนก็กันปัจจุบันก็นยิ่งย้อนก็กันเห็บโจตีขี้อิงเสียมูขึ้นน้ำตัวได้โอ๊ยป่า เอาไว้เดี๋ยวจะนอนก็ว่ะตกตัวงยุ้ยตัวไมสติอยู่ยมีหลายก็สร้างดอกร้ายก็ย่นลงมาหาหน่อยหลายมันก็ร้ายออกไปจากหนึ่งอ่ะถ้าเกเหลายปัญหาก็หลายถ้าเกเรหน่อยปัญหาก็น้อยถ้าบวชว่า ขันวิเห็นพระอยู่ในวัดตาสงสารปัญหามากอหลานแล้ะพวกบวชข้าราชการแปลว่าพวกบวชพอเป็นนิสัยแล้วพวกนั้นดีก็อยู่ซื้อา่าสั่ออกไปทั้งโลกมันกับวดีเราก็ไปหาจินเหล่ามยาให้ซื้อออกมาบวชนะทำการทำงานอะไรก็ตามต้องมีขอบเขตของพระพุทธศาสนาอยู่พระท่านสอนวัดแล้วพระพุทธศาสนาสอนวัดแล้วเจ้าหนายท่านก็สอน บาวท่านก็สอนคนงานท่านก็สอนคนงานลุกขึ้นทําการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ไม่เอาจอบเอาเสียมไปไม่ลักกรอบลักเสียมไปทําการงานให้ดีขึ้นไม่เห็นแก่มาก่ายนาคุณของนายไปเสรเิเสริญในที่นั่นๆสําหรับคนงานสําหรับลูกจ้า สำหรับได้จ้า่จัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังด้วยให้อาหารและรางวันสามด้วยพยาบาลในเวลาเก็บไข่ชี่ด้วยแก่ของมีรถแปลกประหลาดให้กินห้าด้วยปล่อยในสมัยวันทิศวันเสาร์วันศาสตร์วันพัดเทียงนักพระพุทธเจ้าสอนอะ้รบัดเนี่ยได้พระพุทธเจ้าว่าจะสอนว่าไม่เลยในระหว่างผัวก็ไม่ยอพระพุทธเจ้าข้สอน ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นพระพุนเจ้าสอนสอนผัวเลยเน่ะสอนเมียเขาน่ยจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไม่ประพฤติร่วงใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ขยันไม่เกียจคร้านในิจการทั้งปวง เผยก็บลาพระเขากบเทมันก็หันไปโวไม่หันบอกนั่นเงี้ยนกบปัดนะ่ครบมิตรพระพุทธเจ้าก็สอนมิตรแท้สี่จำพวกมิตรมีอการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใครมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรมีอการะมีลักษณะสี่ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งทำนักได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรับของตนแก่เพื่อนปิดความรับของเพื่อนไว้แพร่งพายไม่ละทิ้งในยามยบัติแม้ชีวิตก็อาศระแทนได้มิตรแนตประโยชน์มอถูกครับมิตรเนตประโยชน์มีลักษณะสี่ ข้าไม่กระทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามบอกทางสวรรค์ให้มิตรมีความรักใคร่เมลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุข ก, ก็สุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดชสนเสริญเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรไม่ควรคบริตรูปคอคนเทีรไม่ควรครบริตร ค, ค, คนดีแต่พูดคือคนหัวผจก 4. สี่คนชักส่วนในทางเสียหายคนสี่จำพวก น, นี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรหนึ่งคนปลอกรอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวึงจริงรับทาจิตของเพื่อนสี่บเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวสองมิตรยังเ สองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่เก็บเอาของร่วงแล้วมาปลาใสอ้างเอาของที่ยังมามีมาปลาใส่สองข้อด้วยสิงหาประโยชน์ไม่ได้ออกปากเท่านี้ได้นี่กรบครบนลยคนหัวกระจบมีลักษณะสี่ก็ไม่ควรครบหนึ่งจะทำดีมันก็ค่อยตามสองจะทำชั่วมันก็ค่อยตามสามต่อหน้าว่าสรรเสริญที่รับหลังตั้งนินทาน่ก็ไม่ควรครบ สีคนชักชวนในทางชิ้มหายในลักษณะสี่ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคือชักชวนให้มาเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพ น, นันนี่ก็เป็นความคบนั่นนั่นพระพุทธเจ้าบอกไปบดแล้วไผสศิวาบอกเกลี้งกว่าพระพุทธเจ้าไปขี่พระพุทธเจ้าบอกไปเยี่ยวพระพุทธเจ้าขับอกบดนั่งลงชักก่อนเดินจะไปหื่อผายเช่นเอวของตัวพระพุทธเจ้านั่นนั่นเขาศิวาเขาสลัดอย่างไรพระพุทธเจ้าสลัดก็เขาเอาโกล ถ้าคอกมของเพ่นว่าจามาเพื่อนทําทาว่าตัวเป็นพุลาดว่าเปแท้เพื่นบอกเกือบตายแม่นบน่นนันันนัไผ่ะไปดีก็พระพุทธเจ้านี่บอกไผจะไปดีก็พรพระธรรมมิ่นี่บอกในหลวงว่มีเลยมงเมืองแล้วเหลียงจังงอมเขาเราพระพุทธพระธรรมประสงค์ขักแท้อะัมันมองเห็นศาสนาได้แล้วีเหนือพระพุทธพระธรรมประสงค์ไปวไอ้พ่ออ้แม่ข้าเอ๋ยนั่นอ้พ่ออ้แม่กูเอ๋ยก็ว่านั่น เหตุไรสกาพก็ลกของจ้าน่อยเสื้อพระพุทธเจ้าแหล่ะมันก็ได้ที่เพิงอันกับเสียมแล้ว่าเนนั่นว่มันว่าไม่ไว้ไ่หลายแล้วบอกฮเนี่เอาสีวาจัางไรฝ่ายที่สามอางไสามมาฮาเนี่ยมันประจักษิีวาอย่งมันถือกับจีเดีย้นมันหลายคนเมื่อนะบอกว่ามันขี้แตกกัมี่บอกเล่ามันนอนสองกระบอกเ้าบอกเอเอาละฮะเนี่ยอู้ยตาเทารีว่าลูกแท้ๆจะมันข้าบวชชีว่าบ่ ไปประชุกประชุกคันนี่เนาะพระประกอกับประทากันชุกพระนี่พลาดหมดเนาะพรกอกประากันชุกพนีพาดการไ่ได้รอกเนี้ยะค่อยไปค่อยไปเนาะโอ้ยไอ้แวเ้ยเพื่อนเพ่นัมเเองซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสวรรค่อยมาที่มาแล้วค่อยโยป็นุกเป็นุก ทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในเพื่อใดเพื่อนั่นไม่มีความเสริมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอย่าก็บปัญหาอย่าทำมีเจ็ดอย่างแต่เพียงเขาหง่วเขยังงดียู่งนอ่ออคนโมลียมใช้พุทธศาสนาเพียงขนขั้วขนหั่อคนนั่นเพียงเท่าเขาเท่าเขาโคลเท่าขนโคลคนโมลียมใช้พุทธศาสนาว่ามาท่านโม่มาตัวอนีอย่ยถ้าประกาศมหาแล้วพวกข่าหาพวกแห้งแล้ว หัโตปัญหาที่หลังข้อขาหรอกฮะนันให้เจิมหัวให้บอกเจอมหัวร้านนะมันผมพองหมดโทงหมด่อไปชุกไปชุกโทษทั้งหมดไปชุกไปชุกชั้นบอกเออเกี่ยนเนี้ยนี่บ่โา้โอ้โอ้โอ้ ก็โทษท้งหมด k ะก็โทษทั้งหมดซะก็โทษทั้งหมดซะก็ไปชุกะชุก